แล้วโลบไหมยึดติดตัวเราเองไหมยึดติดอย่างเงี้ยเาเรียกว่าไม่มีอโลพาไม่มีอโลพาทานไม่มีอโลพาทานเพราะว่าเห็นเมื่อไรก็ยึดติดอยู่เนี่ยถ้าเครียดก็มีไม่มีอโทสอาจจะไหมแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆก็คือมหาพูดและอุปาทานอันนี้ก็คือไม่มีอโมหะไม่มีปัญญาเนี่ก็มองอย่างเงี้ยฮะซาภายนอก ใช่ไสีเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์ภายนอกที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ของเราก็คือสังเกตใจเราดูว่าถามว่าเราติดติดข้องมันไหมถ้าไม่ติดนี่นะแปลว่าไม่ติดอารมณ์แ ม, ม้แต่ทรัพย์ของเราดูดพาาระรหันต์บุรุษพ้นจากกิเลสไม่ยึดติดวัตถุคือทรัพย์ของเราเหมือนอย่างนั้นนะว่างั้นเป็นของเหมือนนะแต่ว่าสภาพที่ไม่ประสงค์จะติดอารมณ์เหมือนบุรุษตกอยู่ในหลุมอุจจระ เห็นซับเนี่ยเห็นอย่างนั้นเน่ยเข้าใจเขาเลยเพราอ๋อซั์นี่ก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ท่านเลยอุปมาแรงหน่อยก็ใช้ว่าเหมืยเหมือนตกอยู่ในหลุมอุจจาระเลยอะโลภาจะเป็นอย่างนั้นเลยไม่ติดข้องในทรัพย์อย่างนั้นแต่ไม่ใช่อึดอัดด้วยด้วยโทสะเพราะอโลภาแข็งแรงอะโทสะก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมเพราะว่าจิตสภาพจิตที่เป็นกุศลที่อโลภาอโทสะเขแข็งแรงเนี่ยเขาไม่ขัดเครืองหรอกเพราะอโทสานี่ไม่ไม่ปรทุษราใช่ไหมไม่โหดร้ายต่ออารมณ์ เขาไม่ขัดคือเขาไม่ยึดติดจริงที่อุปมาเหมือนกับตกอยู่ในหลุมอุจล้านี่นะแต่เขาก็อ่อนโยนตรงกันข้ามกับความโหดร้ายของจิตเพราะเขามีอาโทศาสต์จิตเขามีสภาพจิตที่อ่อนโยนสภาพจิตที่อ่อนโยนก็คือว่าสภาพธรรม ท, ที่ที่ไม่ตรงกันข้ามไม่ไม่ขวางดุดมิตรที่ดีคล้อยตามทุกอย่างก็หมายความบอกว่าเขาเนี่ย เขาไม่ไม่ขัดแย้งกับจิตนะสภาพจิตที่เป็นกุศลเขาก็ไม่ขัดแย้งกับจิตที่เป็นกุศลเลยเขาเหมือนมิตร น, น, นะนะคอยตามทุกอย่างเมื่อกุศลจิตดําเนินยังไงอัตโทภาษาเขาก็ดําเนินไปอย่างนี้ในทํานองอย่างนั้นแล้วก็เขากําจัดความผูกโกรธและความโกรธได้แล้วก็คือกําจัดความร้อนกิเลสเนี่ยมันร้อนใช่ไหมมันร้อนเนี่ยถ้าทีนมิท่าหนักไหมหนักใช่ไหมถ้าทิถีมานะเนี่ยแข็งกระด้างไหม เนี่ยเดี๋ยมันจะถูกกําจัดหมดเลยมันจะแข็งกระด้างเนี่มันจะไม่แข็งกระด้างมันจะอ่อนโยนแล้วมันจะเย็นไม้จันทเนี่ยไม้จันท์หอมเนี่ยกลิ่นไม้จันเนี่ยดมไปเย็นเย็นใจเหมือนกันคนที่มีอัโทศาสตร์เนี่ยจะมีสภาพใจอย่างนั้นเองท่านกล่าวอย่างนั้นเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเย็นมองมองพระจันทร์วันเพ็ญตอนดึกๆึกตอนตอนกลางคืนน่ยพระจันทร์ที่เต็มดวง ชื่นใจไหมดูแลเย็นสงบนั่นแหละผลปรากฏของอโทศะถ้ามีกำลังจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทานกุศลจะต้องมีสภาพใจอย่างนั้นเพราะจะต้องมีจริงๆทัานขับเน้นอโลภาเนะี่ยทีนี้อโลพาจริงๆก็คือไม่ประสงค์จะติดอารมณ์แล้วก็อะไรเป็นประทัดฐานประทัดฐานคืออะไรก็นี่ไงอารมณ์วัตถุวัตถุภายในภายนอกนั่นแหละ นั่นแหละคือเขตใกล้ของเขาแล้วก็อีกในหนึ่งท่านเอายนิโสโยนิโสมาสิการด้วยฉะนั้นเมื่อมีวัตถุมีรูปเสียงมีสีเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์แล้วนะนะเป็นที่ตั้งของอารภะว่าให้เขาไม่ติดข้องแล้วก็มีโยนิโสมรสิกานไปไข้ครวนไปกระตุ้นทำให้กุศลนั้นเกิดขึ้นสภาพของอโรพัอโรพะทานั้นเกิดขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้ อันนี้ก็เลยกลายเป็นในกรณีแห่งการที่ว่าเป็นอโลภะไปเพราะเขาทำลายทําลายโลภะกิตเขามีการทําลายโลภะธรรมที่รับอนุญาตเกิดขึ้นมาก็เลยกลายเป็นอะโลพะอโลภาก็เด่นขึ้นชัดขึ้นนะธรรมที่ทางกุศลทําให้เกิดขึ้นก็เลยเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การประชุมมรรคเลยเนี้ยเนี้ยนี่นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้กรณีแห่งก็ ในชั้นของคําสอนตรงนี้ถ้าเรามองมองอย่างนี้เราก็จะเห็นแล้วเห็นในชั้นของทานอากุศลนะทานกุศลส่วนในข้อที่สท่านกล่าวถึงในเรื่องของมาในกระถาวัตถุที่บอกว่าการให้อภัยแก่กันและกันในตรงนั้นท่านใช้คำว่าวิรติทานงดเว้นจากอากุศลทุจริตเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องหวั่นใจในการที่จะมีภัยบังเกิดเกิดขึ้นเป็นอภัยทานนะ ฉะนั้นมหาทานที่อริยาสาวกเว้นแล้วจากปานาติบาตเป็นต้นในคมพีเนี่ยนะเว้นแล้วจากปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่กล่าวเมื่อวานนี้กล่าวไปครั้งหนึ่งนะตรงเนี้ยในรายละเอียดกล่าวบอกว่าในชั้นของมหาทานเนี่ยนะบัณฑิตรู้ว่าเวเลิศเนี่ยนะตรงเนี้ย ในปุญญาพิสันทสูตรตรงนี้ก็คือว่าดูก่รพภิกษูตรต่างหลายทาน5ประการเป็นมหาทานอันบันดิตรู้อัเลือดเป็นต้นเหล่านี้ที่กล่าวไว้แล้วตรงนี้เป็นอาภัยเป็นเป็นเป็นในดูกรอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละปานาติบาสงดเว้นจากปานาติบาสตรงนี้ก็คือว่ามีมานานเป็นเชื้อสายของอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายด้วย อันบัณฑิตไม่รังเกียจแล้วก็จากไม่รังเกียจอันสมณะพราหมณ์ผู้เป็นวินญูชนไม่รังเกียจเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละปาณาติบาตงดเว้นจากปาณาติบาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้งดเว้นจากปาณาติบาตชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีภยัยไม่มีเวรความไม่มีเบียดเบียนแก่สัทธาประมาณไม่ได้พอให้แบบนี้ใช่ไหมให้ความไม่มีภยัย ให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแกสัตว์หาประมาณไม่ได <ver>. ้ไอ้กรรมที่ท e <Grand> <an> ําไปเจตนากรรมทั้งหลายในที่กรณีอย่งการระดมระดมจิตอย่งการที่ให้อภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยเนี่ยให้แกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้เนี่ยกรรมที่ทําไปนั้นเป็นเจตนาเป็นต้นด้วยแล้วก็เป็นสภาวธรรมที่เป็นวิรติทั้งหลายมันงดเว้นจากการที่จะไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาเนี่ยนะ กรรมต่างๆเหล่านั้นที่ปริมาณที่เกิดขึ้นจากการที่มีสัตว์เป็นอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีชีวิตของเขาเราให้อภัยแก่ชีวิตของเขาเป็นต้นเหล่านี้ให้หนึ่งไปกระทบหลายชีวิตดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นแหละจึงเรียกว่าหาประมาณไม่ได้ น, นี่นะผลมันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้อันนี้พอจะมองเห็นนะทีนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามองอย่างนี้ถ้าไปศึกษาในชั้นของคําสอน ที่ท่านกล่าวไว้ในอัตสาลีนีนะในอัตสาลีนีเนี่ยตรงนี้ในรายละเอียดในรายละเอียดตรงนี้ก็เลยขับเน้นให้ดูว่าจริงๆในชั้นของการที่จะเดินทานในากุศลเนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปจะให้ดูตัวอย่างตัวอย่างในการขับเคลื่อนในการวิจัยในการพิจารณาที่จะทําให้ทานในากุศลมันเดินยังไงใช่ไหมแล้วมาเดินไปเบ็ดเสร็จแล้วจะพัฒนาสู่ศีลกุศลอย่างไงที่เป็นมหาทาน จากศีลกุศลและพัฒนาไปสู่ระดับเชาชันของภาวนากุศลตรงนี้นะเอ๊ะยอมบอว่เวลาจะเวลาจะกล่าวจะใช้วาจาเนี่ยที่จะกล่าวเป็นวจีกรรมที่เป็นทา น, นากุศลกับกายกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกกุศลเนี่ยอันไหนอันไหนยาก กว่ากันเอออันไหนคร่องดีกว่าอันไหนคล่องกว่ากันเมเ<ะ>จะรู้ได้ไงจะตรวจสอบได้ไหมออกมาก็ไม่มีอะไรเลยจะไปตรวจสอบดูกระแสจิตของใช่ะะดไห ม, มเมรื่องเอะะ เ, เ, เ, เป็นงั้นจริงอเอออมาเนี่ยกับมโนกรรมไม่เคยคล่อง แม่นโยกรรมเนี่ยเพราะมนโนกรรมนี่ยากนะถ้ามนโนกรรมคล่องเนี่ยตัวอื่นจะคล่องหมดใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ให้เป็นทานกุศล <c oughs> แล้วเอาเป็นเรื่องเป็นราวนียไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาด้วยนะ <c oughs> คือคือคิดว่าจะให้แป๊บเดียวมันก็หมดใช่ไหม <c oughs> แล้วจะให้ได้ยังไงที่ให้มันได้รายละเอียดเนะี่ย <c oughs> ได้รายละเอียดให้ต่อเนื่องอะ่ะแล้วปาร็เป็นไปตามลําดับมาอ่อ ปาลบเป็นตามลำดับเนี่ยก็คือหมายความว่าปาลบยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราจะอาหารมือเนี่ยเ อ, า, อยางี้เห็นชัดดี <_ EN> ใช่ไหมอาหารในมือเนียผู้ที่เป็นเจ้าของฐานทั้ง <_ EN> <_ EN> คือมีเจตนาที่จะให้เนี่ยใช่ไหมสาเร็จแล้วนะถ้าจะกลับมุมนี้ก็กลายเป็นอปราเจตนาแล้วใช่ไหม เพราะก่อนหน้านั้นเป็นปุบผ้าเจตนาในขณะที่เรามีการหยิบมีการยื่นขึ้นมาแล้วนอยู่ในกิจกรรมงั้นก็เป็นมูลจากเจตนาเสร็จกิจกรรมนั้นแล้วเป็นอภรราเจตนาและเนี่ยตรงนี้ปริมาณแห่งการที่ว่าเออลองคิดอย่างนี้นะว่าถ้าเราดูในทักขีนาวไปฟังกระสูรมาเทียบก่อนเราจะเห็น ในในวัตถุทานที่ใช่ไหมมีอาหารมีทั้งข้าวมีไหมเมื่อกี้มีนด้วยใช่ไหมน้ำํำใช่ไหมมีข้าวมีน้ําแล้วมีอะไรอีกนะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะดูสืบค้นตามในยะของพระสูตรเล่ะฮะในยะของพระสูตรนะที่อันนางปานางคระรงวัดถังเป็นต้นอลไรเนี้ยนะข้าวเนี่ยได้กี่อย่าง ข้าวน้ำเป็นต้นอะไรเนี้ยได้กี่อย่างฮะข้าวกับน้ำใช่ไหมผ้าให้ผ้าดี๋ยวป่าเมื่อกี้ให้ป่ายานดอกไม้มีไหมของหอมเครื่องรูบไล้ที่นอนที่พักมีนะแล้วก็แสงสว่างมีด้วยใช่ไหมโอ้ ใ, ให้ให้ได้หลายอย่างนเนี่ยสรุปเนี้ข้าวเนี่ยรวมทั้งกับข้าวด้วยใช่ไหม องค์ประกอบเลยทั้งหมดในนั้นก็มีน้ำด้วยข้าวเลยน้าอาหารของบริโภคทั้งหลายเนี่ยนะก็ได้ที่พักเขาอีกได้ประทีบแสงสว่างเขาอีกเนี่ยสิ่งแวดล้อมอีกเยอะเลยสรุปก็คือว่าครบหมดแหละรูปก็ได้ให้สีเป็นทานด้วยให้เสียงเป็นทานด้วยให้กลิ่นเป็นทานด้วยให้รสเป็นทานให้โพธพภะให้รำารมณ์ถ้าสีก็เป็นสีของอาหารแต่ละชนิดชนิด ใช่การให้ในปารบยังไงโอ้ปารบยังไงเอาใครเป็นคนคนใครเป็นคนให้ <c oughs> ปารบ ส, ส, ส, สีหรือปารบเสียงหรือปารบกลิ่นหรือปารบรสรสชาติหรือปารบสัมผัสหรือปารบทำมารมณเนี่ยถ้าทำอารมของอาหารคืออะไรคืออะไรเออคืออะไร ไม่บอกไปแล้วเนี่ยลืมซะอีกแล้วอะไรดีวิตามินทั้งหลายไงเอ<า>โอชาทั้งหลายที่เข้าไปหล่อเลี้ยงตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยอาหารไปหล่อเลี้ยงกระแสละรูปประกายเป็นยังไงแล้ะแข็งแรงดีไหมบางคนก็ตาปือป้อแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่แข็งแรงแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะได้อาหารจะไหมจริงได้มีฉะนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าผู้ที่ให้เนี่ยเขาให้อายุไหม <c oughs> ให้อายุให้วันน้าด้วยไหม ผิวพนธ์ก็ดูชัดเจนขึ้นเนี่ยนะให้ความสุขไหมที่เกิดจะขึ้นั้ยให้ความสุขให้กำลังแล้วก็ทำให้มีปัญญาไห ม, มเออเนี่ยแปลว่าท่านฮะเขาให้ห้าอย่างนี่ครบแสดงว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมล็ดข้าวเนี่ยเขาก็คูณห้าสิมันจะได้รูปสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์เนี่ยใช่ไหมมันให้วิตามินเนี่ยให้ครบหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็ปลาลบอย่างเงี้ย แล้วดูที่เนี่ยเข้าไปสู่เลี้ยงกระแสขันของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วหวังบรรลุกันทั้งนั้นใช่ไหมบุคคลที่นั่งอยู่นี้ทุกคนปรารถนาบรรลุเนี่ยก็ไปอยู่ในข้อไหนบุคคลที่ปรารถนาเริ่มตั้งสาสนาคมขึ้นไปเพื่อจกบรรลุมาร์คคือโสดาปฏิมาร์คเป็นต้นนถ้าให้กับสัตว์เดราัฉานก็คือร้อยอัตภาพคูณ5ให้กับผู้ทุศีลก็พันอัตภาพคูณคูณ5ไปใช่ไหม ให้กับบุคคลที่ได้ฮะให้มีศีลก็ได้แสนอัตภาพคูณหถ้าให้กับบุคคลที่ได้สมาบัตภายนอกาศาสนาได้ไม่ใช่แสนโกรธกลับเออได้แสนโกรธเท่าขออภัยแสนโกรธเท่าแล้วคูณห้าไปถ้าให้กับบุคคลผู้ปรารถนาการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะ เพื่อจะบรรลุเป็นพระโสดาบันด่านแรกนี่นะถ้าอัตถกถาท่านใช้คําว่าเริ่มตั้งแต่สารณาคมเขาเรียกธรรมมานุธรรมมปฏิปติประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมก็เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่นั่นแหละเข้าถึงสารณาคมปฏิญญาในสารณาคมแล้วก็ตั้งอัธยาศัาายเพื่อการบรรลุท่านใช้คําว่าหาประมาณไม่ได้คูณห้าไปคูณอายุวันนสุขาภละปฏิพานไปปัญญาไป เป็นเรนอันนี้มันยังไม่พูดถึงว่าให้แกพักก่อนนะนี่ให้แกบุคคลที่ต้องการจะบรรลุเนี่ยเนี่ยในทักขินาวิพังะสูตรในรายละเอียดก็ไม่เอามาเก็บนะีตรงนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากตรงเนี้ยแล้วก็ยังมีพระโสโดาบันโสดาปริมากโสดาปริผลว่าไปตามลําดับจนถึงพระเจ้าแล้วก็จนให้แกสงยังไงเอย่างเงี้ยน้อมบูชาพระรัตนตรัยยังไงอันนี้ก็โอ้ยนั่นเป็นการที่มีการวางกระแสจิตให้ชัดขึ้น ในการที่จะตั้งทานาเจตนาเนี่ยนะบุคคลที่เป็นทานาธิบดีทั้งหลายนี่นะที่ว่าจะต้องการเดินทานเนี่ยเพราะเป็นปันทัศฐานปันทัฐานแกนการมรรูุ้ธรรมนั้นะเรามีสิทธิท์ทาได้กันดังนั้นหรือขอให้ทำเถอให้มองไปที่ไหนเป็นที่ตั้งของโรงงานทานากุศลได้ทั้งหมดตอนนี้โรงงานท่านทั้งหลายตั้งไว้กี่ที่ ถ้าลงองบางคนตั้งโรงงานแล้วอย่าไปเครียดกับโรงงานนั้นก็เลายุ่งเลยใช่ไหมถ้าหากนั้นปรับปรุงแก้ไขโรงงานเก่าได้ไหมที่เคยตั้งไปแล้วลืมๆืมไปเนี่ ย, ย, ยนะเอามาตั้งเสร็แล้วก็มาผลิตบุญให้เกิดขึ้นเอาแต่นี้สรุปแล้วว่าเอาเวลาเวลาเราพูดถ้าจะพูดเรื่องทานอากุศลเนี่ยนะ เจอหน้ากันแล้วก็กล่าวทานในกุศลด้วยใจที่เป็นกุศลด้วยเนี่ยนะเราสามารถพูดได้ยาวไหมพูดได้ยาวไ้ยพูดได้มากไหมอ้าวโยมวัดพูดได้เยอะไหม อ๋อเลยอย่างนี้เลยอ๋อเป็นทางใจเลยมันร้อยเรียงก็พูดไม่เคยได้ว่างั้นเถอะแต่เอาไม่เป็นลายขอให้พูดได้ไดกัแล้วกันลองพูดให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> เพราะว่าจริงๆมันจะต้องใจคิดถึงได้มันถึงจะพูดได้ใช่ไหมใจจะต้องน้อมไปในทานได้จริงแล้วก็ต้องเคยสละจริงนะไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่เคยให้ทานเลยมาพูดได้อย่างเนี้นี่ประหลาดแล้วต้องเคยให้ดิ <c oughs> ต้องเคยให้ต้องเกินต้องเคยไข่ครวนดิต้องเคยไข้ครวน อันนี้เป็นเรื่องประจำของเราเลยเนะนะี่เนี่ยมีวันไหนไม่เคยให้ไหมไม่มีอะไรจะมาโอ้ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วเคยให้กันทั้งนั้นเคยให้ทั้งนั้นอายอมต้มลองจ้องตาเขม่งเลยสองวันเนี่ยแต่นี้ทําถูกแน่นะแต่นี้นะ เป็นยังไตอนเนี้เริ่มกลับไปไปเปิดโรงงานได้บ้างอยังโรงงานที่เป็นทานอกุศลเ <c oughs> ห็นไปร่วมกิจกรรมแจกทานกันอยู่เลยเอามาก็อดตื่นเต้นด้วยมือก็ได้บางทีแต่ก่อนเห็นเป็ น, นตอนนั้นผมันไปนั่ง ก, ก็ดูโอ้แจกกันใหญ่เลยใช่ไหมฉันยอมกิจการไม่ได้แจกอย่างเดียวนะให้ปัญญาด้วยสังเกตุที เวลาให้ทานเบ็เสร็จปุ๊บก็พูดด้วยแล้วให้ด้วยความนอบนอบ้อมดูสังเกตไหมเนี่ยเขพยายามจะ ท, ะทาําสัพพุิสถานเั้นต้องทําให้ให้ดีในกะารให้ทานใช่ไหมเพราะจะแสดงว่ารู้ผลเนี่ยรู้ผลของการกระทําด้วยใช่ไหมรู้เหตุแล้วจะฝังเจตนาในการให้ในการสละยังไงก็มองผลไว้แล้วถ้าว่าคิดออกเนี่ยนะมันจะเหตุกับผลเนี่ยมันจะสมดุลกัน บางคนก็เอาเข้าไปง่ายก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาเว้สนุกน่าดูเลยก็มีนะบางคนนไปด้วยความอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ข้อมูลแล้วไปเหม้อนถ้าได้ข้อมูลนะกิจกรรมอย่างเงี้ยน่าไปก็อามานั่งกันอยู่กับพระก็ไปดูก็ถามเอ า, เอามาก็ถามพระถามว่าเนี่ยถ้าถ้ า, ถ, าถ้าสมมุติว่าเป็นกิจกรรมที่พระทําแจกกับพระอะไรต่างๆท่านท่านเอาโอ้โหอย่างนี้ผมตื่นเต้นเลยก็ว่ากันแสดงท่านมีข้อมูลใช่ไมอ่ะทำไมตื่นเต้น โอ้โหคผมค้นกับเรื่องทานทานคือค้นเรื่องอนุปุพีกาถาไง mm hmm. ทานนกาักาถาใช่ไหมอ้ามาก็บอกอ่ะค้นตรงนี้ค้นตรงนี้ mm hmm. ก็พราท่านคน้นแล้วทำหนังสือตอนนี้ก็ทำออกมาแล้โอ mm ้ hmm. oh. <laughs> อ๋อก็ลองดูไงก็ก็อนุภูมิคตาก็ท่านก็กล่าวไว้กล่าวคือคือในชั้นของอนุภูมิคตานี่ท่านจะกล่าวไว้ทั้งทางด้านของพุทธพจน์อนัตถาแล้วก็ในชั้นของดีกาก็จะกล่าวในเรื่องของฐานอนัาศินกถาก็เป็นกานสักคะคตากามาธีนวะก็เนคคำมณีสังสารคถาแล้วก็สรุปลงด้วยอริยสัจคนที่พูดแล้วค่อนข้างที่จะ ไปสรุป um, ค่อนข้างที่จะต้องชัดเจนที่ส <recommended> ุดก็คืออริยสัจเพราะทาในคาถาจะสรุปลงอริยสัจด้วยเาประเด็นตรงนั้นอันนั้นเก็บมุมนีนรายละเอียดก็ต้องชัดเลยนยเียก็กกก่าเดิอ๋อ ก็ก็ตรงนั้นก็คือคือเกี่ยวในเรื่องของของของฐานเน่นะ อ, อท่านเรามองอย่างนี้ก็คือว่าต้องต้องต้องเดินให้ได้ต้องเดินวิธีคิดที่จะเป็นฐานฐ า, านนักุศล์เป็นต้นให้ได้ทีนี้เอาตอนนี้มองนะอ๋อคือลำดับแห่งการลำดับแห่งการวิจัยนะคือท่านจะวิจัยไปตามหลักของ ยกตัวอย่างก็คือท่านจะลำดับแห่งการใกล้ควรก็คือลำดับกายกรรมลำดับวจีกรรมลำดับมนโนกรรมท่านไว้ที่หลังคือท่านจะลำดับอย่างนี้ก่อนลำดับรูปรู ป, รปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ในการลำดับอย่างนี้ในบรรดาบรรดาวัตถุทานทั้งหลายสรุปลงก็คือว่าเนื้อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ทุกชิ้นจะสรุปลงตรงนี้หมดใช่ไหม อันนังปานังคารังวัดถังข้าวข้าวก็คือรูปเสียงกิจรสสัมผัสธรรมอารมณ์น้ำกกอก็อารมณ์หใช่ไม้มผ้าก็อารมณ์6ยานะรองเท้าหรือล่มเป็นต้นเนนะียนอันนี้ก็คืออารมณ์6ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายใช่ไหมอารมณ์หกใช่ไหมที่นอนก็อารมณ์6ที่พักวิหารทั้งหลาย สลาการเปลี่ยนอุโบสถทั้งหลายอันนี้ก็คือรูปเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์แล้วก็เครื่องให้แสงสว่างก็คือรูปเสียงกินรสสัมผัสและทำมาลงตรงนี้ก่อนนะจัปอารมณ์หแล้วก็เป็นไปในด้านของกายกรรมกายทวากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี่คือลำดับที่เราท่านทั้งหลายจะมาเป็นอุปกรณ์แห่งการที่จะมานั่งไข้ควร ใช่มจะเป็นที่ตั้งแห่งการวิจัยแล้วตรงนี้พอมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าถ้ารู้ปารม์ถ้ารู้ปารม์ของสิ่งที่มีชีวิตก็เกิดจากกรรมจิตออตัวอาหารอันนี้ต้องมีความรู้ไว้ัหมเพราะเราจะต้องเดินทานกุศลศีลกุศลไปจนถึงภาวนากุศลใช่ไหมในกลุ่มที่ต้องการที่จะขับเน้นที่จะต้องวิจัยหรือพิจารณาเนี่ย ถ้าสัทธาลมนี่กี่สมุทฐานออานเนี่ยเสียงเนี่ยตัวเนี่สัทธาลมตัวเนี่ยกี่สมุทรฐาน อ, อ, อุตุกับอะไรใช่ไม่ทาท่าลืมกันไปแล้ว <c oughs> อุตุกับสังิตใช่ดอกไม้เนี่ยมีกี่สมุทฐานนัดกดาราไม่ฮะ ไม่รูปารมของดอกไม้มีกี่สมุทรฐานฮะใช่อุตะโอโตะใช่ไหมฮะมีกี่สมุทรฐานนะมีอาหารด้วยปะอ๋อฮะ ที่จริงที่จริงเขาเขาท่านจะกล่าวรวมนะจะกล่าวรวมถ้าหากรูปารมณ์ของสิ่งที่มีชีวิตก็จะกล่าวสี่ไปเลยนะสัตว์ารมณ์มีสองนะคันธารลมก็สี่นะถ้าเป็นอดีตนาคตปัจจุบันเป็นต้นด้วยนะราษารลมก็สี่แล้วก็โพธิารมก็สีเนี่ยนะธรรมอารมณ์นี่ท่านไม่ได้กําหนดไว้ตรงนี้ก็คือว่าเหตุผลตรงนี้ก็คือว่าในรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่า รูปารมสัทธารมคันธารมลาสารมพวถัพพรมเนี่ยนะรูปารมก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของเกี่ยวกันในเรื่องของการที่ว่าจะเป็นที่ตั้งเหตุการที่จะไปวิจัยพิจารณาบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่นะบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำประทักษิณมหาเจดีย์ประดับตกแต่งฉาบทาด้วยปูนขาวเป็นต้นเนี่ยนะอย่างวิจิต แล้วก็ปักธงชัยแล้วก็ธงแผ่นผ้าหลากสีก็ผูกพวงมาลัยล้อมประทีบมาลัยรุ่งโรดอยู่ด้วยสิริที่น่าพึงพอใจน้อมกราบเป็นจงังคระปิดิ์แล้วก็บูชานะประดิสถานนั่นเองบูชาเจดียืนไหว้แลดูอยู่อันนี้พิจารณา ท่านอาจจะพิจารณารูปก็ได้เสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรมารมณ์ของของแผ่นผ้าก็ได้ของพระเจดีย์เป็นต้นนี้ก็ได้นะในลักษณะนี้ตึกใครควรไปเบียดเสร็จน้อมจิตอะไรจากการบูชาคุณของพระบรมศ า, าสดานั้นอ่ะยืนไหว้มองดูพระเจดีย์ทำให้ประทับตาตรึงใจไม่ใช่มองแค่จักขุประสาททังด้านแค่จัขุทวารเท่านั้น ไม่ใช่อาประสาทจักขู่ไปมองแค่รู้อา ร, รมณ์เท่านั้นแต่น้อมลงไปสู่ปัญญาใช่ไหมทางมโนทวารละวิถีนั่นแหละเป็นชาวนานั่นแหละให้เกิดขึ้นทำพุทธคุณนั่นแหละท่านกล่าวงั้นให้เป็นอารมณ์ทีนี้ทำพุทธคุณนะทำปีติพุทธคุณให้เป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้ต่อมาไปสู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วนั่งลํำลึกในที่พักกลางคืนและกลางวันนะ นึกถึงมหาเจดีย์ที่ประดับตกแต่งแล้วย่อมเป็นเช่นเดียวกับที่มาราปรากฏทางจากขุทวานนั่นแหละเป็นเหมือนเวลากระทำพทักษิณไหว้เจดีย์รูปอารมณ์ย่อมมาปรากฏโดยเนื่องด้วยรูปที่ตนเห็นแล้วด้วยการอย่างนี้อันนี้ปราโลภนะแล้วก็มาเด่นชัดเสมอเหมือนหนึ่งตนเองที่กําลังปรากฏเฉพาะนะ่ะเอ๊ะใครเคยทําแบบนี้ไหม ย, ยังไม่เคยเลยเลออเนี่นะโดยมากนะพระเนี่ยนะย เวลาท่านไปนว่าพระเจดีย์ท่านก็จะมององค์ของพระเจดีย์ที่เป็นสีทองสีอะไรก็แล้วแต่นี่นะมองประนมมือจนติดใจเลยนะเป็นภาพนั้นติดใจแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระศ า, าสดาจนทำความอิ่มความปลาโมดปีกเกิดขึ้นเนี่ยนะเบ็ดเสร็จแล้วท่านได้อารมณ์แล้วท่านก็เดินกลับที่พักและเพราะที่ตรงนั้นอยู่นานก็จะไม่ค่อยหมอะใช่ไหม เดี๋ยวต่อมาประชาชนมาบ้างเสียงอึกทึ ก, กคลุ้มคลมบ้างแร ง, งัท่านก็นั่งนะอาสนะใดอาสนะหนึ่งนั่นแหละในที่สงัดแล้วก็ตรึกระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอารมณ์ทำปราโมทพิธิเป็นต้นให้เกิดขึ้นอ๋อไม่เคยทำแบบนี้เนะไม่เคยทำไม่เคยเลยเลย ลแล้วแต่ยังวหวเลยงไหมอันออเ็นไหมว่าเห็น เห็นภาพพระเจดีย์เห็นธงประตักเห็นธงผ้าทั้งหลายเห็นแผ่นผ้าทั้งหลายเห็นของประดับบูชานึกถึงมหาปริศลคณานุเวียนชนะของพระศาสดาและพุทธคุณของพระศาสดาวาได้บูชาใช่ัหยน้อมสการะน้อมบูชาแต่ปารบสีกลับมานั่นแหละใช่สีของพระเจดียภาพของพระเจดีย์ก็มาปรากฏ แล้วก็ตั้งระลึกถึงคุณของพระศาสดาประดุดเหมือนว่านั่งอยู่ต่อหน้าพระเจดีย์แล้วก็ระลึกๆต่อหน้าพระศาสดาระลึกเห็นคุณของพระศาสดาตามลำดับพุทธคุณที่ท่านทั้งหลายศึกษามาว่าไงศึกษามาอาจจะหยิบ บ, บทใดบทหนึ่งเห็นไหมในการที่คุณของพระศาสดาและน้อมระลึกยังปรามดปีติปัสสิความสุขต่างๆให้เกิดขึ้นไไหม เนี่ยลักษณะเนี้ยนีกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งบุคคลฟังเสียงพระธรรมกถึกกล่าวธรรมกะถาด้วยเสียงอันไพเราะนี่นะก็หมายความว่าเป็นคำสอนนั่นเองกล่าวตามพระสูตรต่างๆหรือฟังเสียงผู้สาธ ย, ยายทํานองสารพันยาก็ได้นะฟังต่อมาเป็นนั่งณนะที่ใดที่หนึ่งแล้วลำพึงอยู่ธรรมกถาอันนี้ประเภทที่เขาฟังจริงๆนะแบบเนี้ย หรือสารพันยะย่อมเป็นเหมือนมาปรากฏทางโสตทวารเลยเหมือนเวลาเปล่งสาธุการฟังธรรมศัต ธ, ธาลมก็มาลับกดเนื่องด้วยเสียงที่ได้ฟังมาอย่างนี้อันนี้ก็คือไข้ครวนเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็น้อมทุกคนเหมือนกันน้อมทุกคณของพระศาสดาเหมือนกันหรือบุคคลได้ของหอมดอกไม้ที่เขาบูชาที่พระเจดีย์ด้วยจิตที่มีกลิ่นเป็นอารมณ์ต่อมาก็มานั่ง ใข้ควรนั่นแหละประดุดเหมือนคันทารลมมาปรากฏเลยนี่ก็พิจารณาบูชาสการะลักษณะอย่างนี้นะก็ตรึกพุทธคุณได้เหมือนกันหรือบุคคลได้ของเคี้ยวของบริโภคอันปราณีตแล้วแบ่งปันถ้าเป็นพระก็แบ่งปันให้กับเพื่อนพมจันทร์อันนี้ก็คือถวายนั่นเองใช่ไหมก็เรียกว่าในสารานิยธรรมนั่นแหละ สาธารณโภคีก็คือแบ่งปันก็คือสละถวายให้กระสงนี่เองให้ท่านได้บริโภคน้อมเบ็เสร็จแล้วอาหารนันปราหนีดรักาลมก็เหมือนมาปรากฏเลยเนี่ยนะเนี่ยนะเมื่อบุคคลใช้สอยเตียงเนี่ยนะใช้สอยนะ่ยเช่นมาเรียนมาทำอันนี้ถือว่าผู้ให้เขาให้แล้วนะเนี่ยเขาให้ที่นั่งแล้ว เครื่องปูราดแล้วผ้าออนนุ่นโพธิ์ถาพลมที่เหมือนกับมาปรากฏนั่นแหละอันนี้ลักษณะเนี้ยกุศลก็เดินได้ใช่ไหมอ่ะถ้าเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยเขาถวายเป็นพุทธบูชาเราบอกโอ้เนี่ยนะเราได้เห็นคุณของพระาศาสดาเพราะกระทบโพธิ์ถารมในการนั่งฟังพระธรรมเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้ก็คือในมโนทวารนนะ่ะไม่มีการกระทบประส า, ศาศดดังกล่าวย่อมปรากฏเนี่ย น, นะ เหมือนรูปเหมือนอะไรต่างๆไม่ได้ยินเป็นต้นเป็นไปตามดับก็ได้เหมือนกันตรงนี้ตรงนี้ท่านกล่าวถึงกรณีแห่งการที่ว่าทีนี้จะกล่าวนะว่าทานกุศลชาวนาจิตที่เกิดจากการให้ทานถ้าศีลก็คือว่าชวนาจิตที่เกิดจากการรักษาศีลเจริญศีลถ้าภาวนากุศลก็ชาวนาจิตที่เกิดจากการอบรมหรือเจริญภาวนาทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเนี่ยนะตรงนี้ก็คือท่านกล่าวถึงอย่างนี้ว่า ในชั้นของการที่เราจะพิจารณาเนี่ยนะท่านบอกว่าในรายละเอียดมหากุศลรจิตเนี่ยนะที่เกิดพร้อมกับสมาัะที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเป็นอสังขารที่เกิดขึ้นในรมที่น่ายินดีย่อมปรากฏโดยลักษณะสามนี้ที่ทรจะขับเน้นว่าเนี่ยตรงเนี่ยมหากุศรเนี่ยดวงแรกเนี่ย ในดวงแรกเนี่ยดวงนี้สามารถที่จะรับอารมณ์ได้6กใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์แล้วก็เกิดขึ้นในทวารทั้งสาคือกายทวารวจีทวารและก็มโนท ว, วารเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยเอาอะไรแเนี้ยนั้นเขาทําให้เกิดได้สําหรับบุคคลที่ค่้ควรเป็นตั้งโยนิโสมนสิการเป็นเราท่านทั้งหลายเวลาจะเจริญทานกุศลเจรนาทานทั้งหลายเหล่านี้ ก็ต้องพยายามฝึกขับเน้นให้ให้มหากุุลนี้เกิดให้ได้ใช่ไหมต้องทำให้เกิดให้ได้เพราะถ้าทำให้เกิดได้ก็นับว่าเป็นใช่ไหมเป็นบุญและอันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จใช่ไมเพราะเป้าหมายจริงๆเราต้องต้องขับเคลื่อนกุสนประเภทนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งถามว่าถ้าศึกษาพระธรรมกันมาพอสมควรขนาดนี้ การจะทำให้มหากุสลและจิตดวงแรกแล้วก็รับอารมณ์6ใช่ไหมแล้วก็เป็นไปกับลายเป็นไปกับ ก, กรรม3แล้วก็ถามบอกว่าแล้วก็เป็นไปกับทธิบดี4ีหรือเป็นไปกับอิทิบาที่ฉันท้าวิริยะจิตตาและปัญญาด้วยใช่ไหม